มือเราก็มีอยู่พลิกมือเราก็ลู่อยู่ยกขึ้นเราก็ลู่อยู่เราทําได้แต่ว่าลู่มันก็คือไม่หลงนั่นแหละถ้าตัวลู่มากๆความไม่หลง ก, ก็มีมากๆเขาทําได้จริงๆ <c oughs> นั้นว่ามีความหลงมันก็ถ้ามีความลู่ความหลง ก, ก็หมดไปหมดไปเป็นพรักเป็นพักยังไม่ถาวรก็ไม่เป็นไรแต่ก็ทําไปเรื่อย ถ้ามันไม่หลงถา้าบอลเราก็เรียกว่านิโรธถ้ามันหลงอยากไปถาบอลก็เลยว่าเป็นกระแสแล้วก็ได้ชิมลดถ่อเป็นนิพพานก็ได้ชิมดูมันไม่ปรุงมันเป็นวิสังขารสังขารคือมันปรุงวิสังขารคือมันไม่ปรุงเราก็อยู่ตรงนี้แหละทาอยู่ตรงนี้แหละ ะอะไรดมันปรุงเราก็เปลี่ยนไม่ปรุงผมปรุงก็คือความหลงความหลงคือความคิดความคิดกับปรุงไปต่างๆนานาแล้วก็เราก็ลุกมันได้เปลี่ยนได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ถือวะนะบบันัตปฏิบัติแต่วิธีที่ทำก็ทำให้มันแม่นๆเขาบอกแม่นก็คือรู้แล้วนะอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใ จ, บใจคือรู้แล้ว ถ้าว่ารู้แล้วล่ะเป็นยอดของสติแล้วเป็นคุณค่าของสตินี่คือสติปัฏฐานถ้าว่ารู้แล้วถ้าเป็นภาษาคำพูดแต่ภาษาปรามัตร์เนี่ยไม่ได้พูดหรอพอเพลิดมือขึ้นนี่ยรู้เนี่ยจรู้แล้วนี่นี่สติปัฏฐานยกขึ้นรู้แล้วเอืนไห้ไปมารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนี่คือสติปัฏฐาน ไม่จะคิดไปลูกความคิดไปรึ่งลูกรึ่งหลงไปต่อยตามความคิดไปอันนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานถ้าสติเป็นมั่นใครก็มีได้ศรัทธาไร่สิสงโคนผู้ไร้ก็มีได้แต่สติปัฏฐานรู้แล้วรู้แล้วเกาะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนมันกับไม่มิดมันก็เราเกาะอยู่ในหลัก ลางน้ำไหลเที่ยวระ ว, วังเวลาใดมันก็พัดพาลราไปเราก็กลับขึ้นมาเกาะไปอยู่เกาะนานนา น, านานเข้านานเข้านานเข้าทวนได้น้ำไห i, แ ล, ลแล้ว ล, ลอกแล้วลอกลอกก็รูดลูดอยู่ตรงนั้นละอืมความรูนก็มีความชํานานเหมือนกันให้มันชานานให้มันรูไปบอดๆให้รูดมากๆให้รูดอยู่รูดอยู่เป็นหลักเป็นหลัก มันก็เกิดความชำนิชำนาญได้งันก็เราขึ้นลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาก็ชำนาญขึ้นใหม่ๆาจจะเมื่อยล้าปวดขาล้าแข็งขึ้น บ, บ่อยๆทุกวันวันละหลายชั่วโมงวันละหลายเที่ยวแต่ว่าไม่ให้เขาสงสงวันละหลายเที่ยวหลายเที่ยวเช่นเดินขึ้นหัวใไน่ะ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 เดินลงไปเรื่อยไหมเดินขึ้นมาเอาข่าเอาขอ ง, เ อ, ของเอาอะไรต่างๆเดินขึ้นดนลงเอาไปมาเ น, นมันก็เดินเดี๋ยธรรมดาไม่ได้ขึ้นไปนะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อล้าแหละมันชํานาน <c oughs> อันนี้ขนาดนั้นก็ยังรู้ได้ทําได้ไม่แปลกการรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆมันก็ชํานานได้ มันก็เลยรอดได้ง่ายที่จะรู้อะไรที่ไม่ได้เจตนามนก็รู้ได้อันเกี่ยวกับความรู้นะอันเกี่ยวกับความหลงมันก็ยากที่จะหลงเกี่ยวกับความรู้มง่ายที่จะรู้ทํำใหม่ๆมันง่ายที่จะหลงทําไปทํามามันก็ง่ายที่จะรู้ความหลงมีแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่การความหลงมีมีปัญหาชักไปหลงไปจนตรุงจนแจ้งไป เอาไปมาความหลงกลายเป็นปัญญาเป็นประสบการณ์เป็นความรู้เป็นความชัดเจนเป็นความปรารถนาด้วยหลงทีใดจะได้ปัญญาทุกทีเห็นแจ้งทุกทีเดี๋ยวก่อนหลงเทีใดก็อนหลงไปหลงไปเอาไปมาความหลงกลายเป็นประสบการณ์บทเรียนที่เยี่ยมยอดมาอะไร เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้โอ้มีค่ามากหน้าไหว้ตัวเองได้ก็ยิ้มก็ยิ้มตอนนั้นไม่ปัญญาก็ภูมิใจตอนนั้นละภูมิใจที่มันเปลี่ยนหลงเป็นรูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์หนังเป็นความภูมิใจจุดอ่อนของคนเราอยู่ตรง น, นั้นลแล้วความรู้เราก็ต้องสร้าง น, นละล่ะ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 เราก็สร้างเอาสร้างเอาลู่เอาลู่เอาลู่ไปลู่ไปไม่ต้องเอาเพศเอาไวไม่ต้องเอาชาติภาษาลัทธินิกายลองรู้สักตัวนึ่ง น, นี่เราก็ทําไปโดยเฉพาะรูปแบบที่เราทำมันก็ช่วยเราได้เยอะเดินชมกลมก็ เป็นรูปแบบที่ชัดนั่งสร้างจังหวะก็ะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนกว่าอริบทอื่นๆแต่ถ้าทําไปทําไปทําไปเราจะชัดกว่าชัดอยู่ทุกอริบุติดตาหายใจคืนน้ําลายแต่ว่าวิธีทำไหนให้มันเป็นหลักเป็นจุด ถ้าลู่ที่มือก็ให้ลู่ที่มือไปล้วไปจับโนนจับเน่ถ้าเดินก็ให้ลู่ที่เดินไปอารมณ์หายใจก็อารมณ์หายใจลู่ไปตั้งต้นใหม่กับฉากใหม่เดี๋ยเรื่อยๆไปถ้าอยู่ในฉากเดียวมันก็ทำให้พลาดได้เปลี่ยนฉากทําใหม่ๆนี่ให้หัดเปลี่ยนฉาก สร้งใหม่มันจึงจะชัดแล้ก็เราสอนเด็กสอนนาทีน้อยๆชั่วโมงน้อยๆแล้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนฉากใหม่ให้เขาได้ไม่เบื่อที่เปเราบางทีเราหอมเกินไปมันก็กลัวนะเรจะนั่งสร้างจังหวะมันกลัวแล้วกลัว<อ>วิธีกลัว<ะ>ของมันก็คือม่วงนะเครียดนั<ะ>่นแหละคือจะเป็นเรื่องยากยนะั่นแหละ มันนั่งสร้างจังหวะเป็นเรื่องยากพอเดินจงกลรมก็เป็นเรื่องยากเดินไปเล่นโน่นเล่นนี่ก็คือง่ายกว่ามันเชี่ยนเกินไปชีวิตเราบางทีมันต้องเชี่ยนเหมือนวัว บ, บางตัวไม่ต้องเชี่ยนมันลูกแล้วมันพยายามของเขาอยู่ของพ่อเคยฝึกกลัวเทียมเกวียนเคยฝึกกลัวเทียมคาดเทียมไถบางตัวมันลูกกว่าเรา มันลู่หลบลู่เหล็กเวลาไถมันถูกรากไม่ในดินเราไม่ลู่เท่ากับมันเลยเราพยายามเขี่ยมันมันไม่ไปเขี่ยมเท่าไรมันก็ยิ่งถอยเขี่ยนเท่าไรมันก็ยิ่งถอยแต่คนที่ไม่ฉลาดที่ไปลู่ไม่สังเกตก็โกรธให้ควายตัวเองที่ยมเท่าไรมันก็ไม่ไปหรอกเด็กหัวมันก็ควัดหัวก็มองหน้าเราเขาบอกมองหน้าเรา มันอะไรกันพอมือจกล่วงลงไปในน้าในดินที่ไหนได้ไขมันเป็นโูกลากไม่อยู่ในดินโอ้ยพออยากกราบไหว้ควยตัวเองเรามาันง้อตังหก่กชีวิตเราบางทีก็ไม่ต้องต้องรีบมันมันลู้อยู่แล้วมันง่ายอยู่แล้วไม่มีใครจะชั่วถึงที่สุด โอเคยกยุกมือสร้างจังหวะลู่มันก็ผ่านบาปมาแล้วแหละยกมยุ ก, ส, กสร้างจังหวะลู่เสียตัวมันผ่านบาปไปแล้วมันลอยอยู่ในกองศีลแล้วน่าจะแววอะไรหนึเราอยู่ในศีลเรายังไม่ลู่แต่ลู่อยู่เราอยู่ในสมาธิเราตั้งใจลู่อยู่ใส่ใจลู่อยู่เนี่ยเราจะหลุดไปทางไหนพอใส่ใจที่จะลู่อยู่เนี่ยมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิแล้ว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 มันผ่านบากมาแล้วมันถึงที่ได้พักแล้วเหมือนกับเรานั่งอยู่สาลาไก่ฝนตกลงมาเราก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ถกเรายังก็โดดลงไปไม่ใช่เต่ลู้อยู่นี่ก็ถูกแล้วลู้สึกตัวอยู่ลู้สึกตัวอยู่นี่ตั้งค่อยตั้งเหมือนกับเด็กตั้งไข่ล้มลงไปก็ลุกขึ้นนั่ง ลุกไม่ได้ก็พ่อแม่ก็ไปจับขึ้นลุกนั่งอ่านั่งนั่งอ่านั่งไปนั่งมาก็งกโงอกมากเง็กก็งกไปชะโงกน้าชะงกหลังเขาก็ช่วยตัวเขาพัดีเขาช่วยตัวเขาไม่ได้พ่อแม่ก็ปกครองไว้นั่งไปนานวัน น, นั้นวันก็เข า, ขาก็เจนของเขาลุกขึ้นเดินได้ความการฝึกตนเองก็มันกันต้องใจเย็นเย็น รอได้คอยได้ไม่ต้องรีบร้อนอผิดบ้างก็ไม่เป็นไรหัวเลาะความผิดตัวเองอย่าไปขุ่มข่องคิดอะไรต่างๆ อ, าอะไรที่มันคิดก็หัวเลาะความคิดตัวเองอะไรที่มันผิดก็หัวเลาะความผิดตัวเองแล้วก็อย่า อ, อย่าไปทำซ้ำๆการหัวเลาะแบบความรู้สึกตัวมันหัวเลาะแบบท่าทาย แม้วเรานั่งพักผ่อนไม่ใช่พี่แพ้เราทำไปทำไปมันก็เมื่อยเป็นร่างกายก็นอนลงไปนั่งหลับตาหายใจะ ง, งบลงไปเราพักเพื่อจะสู้นะเราไม่ได้พักเพื่อปลาราชัยพ่ายแพ้มันเราปั่นขนนาจับจอบขุด จึงเซดขึ้นกันนะจับบมบมบมมันหลายชั่วโมงก็มั่วอยูแล้วก็วางด้ามจอบเป็นนั่งนั่งเนตามันยังดูคันนาอยู่มันยังดูด้ามจอบอยู่แต่ไม่ได้ทำแต่มันดูใจมันอยู่นด่นนั่งแล้วหายใจนั่งเงยสายสมหายใจ ม, มันยังขึ้นสู้ นั่งท่าไลูกคนไปจับด้านสอบได้แรงหม่อมเยี่ยวยากำลังขึ้นมหม่จับทำไปอีกหลายชั่วโมงนั่งอีกอมไม่ได้แพ้เลยการนั่งไม่ใช่ว่าเราจะลุ่มดาวฤตัวฟือเลยมั้ก็ออกไปมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไหวบางคนนะปัดจาวะเป็นเลือดก็ไม่สมัยก่อน การทําความเพียรการเดินจงกรมบางคนเพื่อนของผมเน่ยใส่เลื่อนก็มีผมก็ทําท่าจะเป็นเหมือนกันชวนกันไปซื้อกางเกงชั้นในมาใส่ผมไม่ใส่เอาไป ม, มันหายยังไงไม่รู้นะหายเลยแต่ก่อนเจ็บด้วยเพื่อยบอก ก, ก็ขาก็แตกจนี้ไม่แตกเลย อ่าไก็ไม่เลื่อนเลยหายไปไหนไม่รู้สมผัาจะเป็นมันอะไรไม่รู้ทำให ม, ม่ๆหลายเรื่องหลายราวครอบครองก็จะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวไปไม่เป็นไรอย่าไปกลัวอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่ชนะมาฟรีๆมันต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างการเจริญสติสู้กับความหลง มันเกิดขึ้นกับอาการต่างๆของกายของใจบางทีก็เรื่องของร่างกายก็มีเหมือนกันเดินจนอกคาแตกแล้วนี่มันก็ไม่แตกนั่นก็เป็นความชำนาญของมันเนี่ยการกระทานี <c> ่ <oughs> เราไม่เก่งกว่าธรรมชาติ บางทีธรรมชาติจะจัดสรรตัวเรา <c oughs> จัดสรรตัวเราเหมือนกับคนทวนเนี่ยปวดเมื่อยนิดหน่อยกินยาปวดหายทันใจเพื่อจะเอาชนะการปวดของร่างกายพอมันม ง, ง่วงอ้าวไปนอนใช่เพื่อจะให้มันหาย ง, ง่วง อ, อะไรนิดหน่อยไอนิดหน่อยอกินยาถ่ า, ายนิดหน่อยกินยา ก็ไปมาไม่เก่งหรอกสูแบบปล่อยๆลองดูทำถ้าจะเป็นหวัดเป็นไข้เนิดหน่อยลวกทางที่ไม่ต้องกินยาไล่ก่อนปล่อยให้มันช่วยตัวมันเองใช่ไหมคุณหมอ <c oughs> <c oughs> ล้องคอยชีดแจงนั่นนะหลังก็นี๋ยวปวดอะไรนิดหน่อยกินยาแล้วไอเนิดหน่อยแล้พ่อให้หน้ถ่าย มาข อ, อยากับเราพ่อเร่อ่อาอะไราซาอะไรให้มันถ่ายสักสวันเนี่ยก็ไม่เป็นไรเขาก็กลัวตายไม่กลัวอะไรถ้าไมกินลองดูให้มันถ่ายแต่ถายเขพเคยนะเขาเขาไปไปอยู่สวนงูกอ่ะไปออยสไปจะมมีคนรู้จักสักคนแล้วไปอยู่ที่นั่นมันก็มันก็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 แล้วก็ได้ผ้าคนนูมานอนเอาผ้าหนุ่งเปลี่ยนออกก็้าคนนูนอนนอนต๊ะใส่กระถนเลยแม้แต่มันจะออกมันหมดแรงนะก็คิดว่าอ้าวถ้าตายนี่ก็ตายอยู่บนกระติ้นเลยคงจะมีใครมาเห็นอาจจะเหม็นสี่ห้าวันหกวันแต่จะมีกลิ่นเหม็นเพราะาโดยจะเห็นคนตายเขาคงเอาไปทิ้ง่ะก็คิดเล่นๆไปสนุกไป ก็เราจะไปเลี้ยงใครมันก็ไม่มีเราก็ไม่คิดว่าจะไปเลี้ยงใครเล ย, ยคิดว่าโอ้อา้าวมันถ่ายมันถ่ายไม่ต้องเก็บปวดต้องมอมันถ่ายสบายสบายนอนใจนี่โอ้สบายลพอมันก็ไม่รู้ว่ามันหลับหรือมันเป็นยังไงมันก็หายตัวไปทันทีพอตื่นขึ้นมาแข็งไปหมดเลยก้นอ่าโทษอะไ ร, ะะไรมันแห้งติดตัวโอ้ลุกขึ้นมา ลงไปอาบน้าไม่แรงขึ้นหน่อยอาบน้ําล้างซาาักผ้าซักตะปีขงตนล้างซะอาไปฉันข้าวตอนเช้าได้เพื่อนอนันก็เจ๋งนะถ้าเราใจของเราเอะไรนิดหน่อยก็โอ้ยมันก็เจิงเลยทุกวันนี่ไม่ค่อยกินอยู่กินยาอะไรแค่พวกแก่ปวดนี่ เ, เลิกลากัรีสพวกเราไม่ต้องไปกินนะต่อให้ร่างกายมันช่วยเขามันธรมธรมดาธรรมดา อบางทีเราไปเอาชนะธรรมชาติมันก็ยิ่งอ่อนแอโครงการเจริญสติก็เช่นกันเป็นดัดไปแปลงอะไรให้ทำง่ายง่ายลุกไปไม่ต้องเอานัน่นเอานี่บางทีจุดทูบไว้หนึ่งดอกถ้าทูบไม่หมดจะไม่ลุกเวลาเดินจุดทูบไว้ถ้าทูบไม่หมดจะไม่นั่งไม่ต้องหรอก ทำไปเรื่อยๆไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่ารู้ๆๆผมรู้สึกตัวเนี่ยจะอยู่ในฉากไหน ก, ก็จะต้องรู้ถ้มันหลงก็จะต้องรู้ยืนลุกอะไรก็ต้องรู้วางทีอภิปุษที่เราตั้งไว้มันไม่ทันกับเหตุปัจจัยเราจะไปรู้ล่องหน้าไม่ได้โยงกัดก็ไล่ได้นี่การปฏิบัติธรรม อย่าไปลูกล่อนลูกเห็นก่อนเห็นถูกก่อนถูกผิดก่อนผิดเอาเหตุเอาปัจจัยเนี่ยหลงเวลาใดเปลี่ยนลู่ได้ประปวดเวลาใดก็กำหนดลู่โดยการลูกก็กำหนดลู่โดยการบรรเทากำหนดลู่โดยการละทั้งขาอดทนก็อดทนถึ้งข่าวที่จะอะบันเทากับบันเทาไปเดินอยู่ มันปวดมันเมื่อยล้สอชั่วโมงละสามชั่วโมงลวก็ให้มันเกินเม่วยไปเกินเหนื่อยไปอยากให้คนเหนื่อยมาบังคับเรต้องอยู่มันปวดก็อยาให้คนปวดบังคับเรามันเกินไปสักหน่อยเวลาเราไถานานหัดควยายไถนานเวลาไถานานมันไถเป็นงานพอไถเสร็จควายมันก็รู้นะ พอมันเสรมันเหยียบรองมันไม่มีครับมันไทเสร็จมก็ลูกเพมันเสร็จไถไม่ได้ปักแล้วพอมันเปลก็งองหน้ามองร่องก็จะจะออกจากงานที่เราไถล้วก็ให้มันออกไปพอออกเราไปปลดทันทีมันไม่ได้บางตัวเพราะมันลืกมนออกวิ่งออกมันเคยปลดมันวิ่งออกบางทียกไถข้ามคันนาไม่ทันมันก็ปลดแันเวลามันวิ่งออกปลดทุกทีเวลามันวิ่งออกปลดทุกที ไม่ได้อ้าวพอมันวิ่งออกเราก็ไปแลกงานใหม่อีกใชรอบสองรอบสามรอบจนให้มันเดินปกติเราใช้ไปใหม่ปดปวดปวดปวดปวดปวดปวดอยากจะลปวดไว้เราก็ใช้ไปแต่มันยังติดปกติเราก็ต้องไถอยู่นะใช้ไปไชไปจนมันเดินปกติแล้วก็ปดกลางกลางงานน่ะไม่ต้องออกไปตรงไหนปักไทไปตรงนั้นถ้ามันเดินปกติก็ปักเขาหยุด ออนี่เราหัดตัวหัดกลวยทันที่สุดเวลาเราต่อไปงานหน้าพอใช้เสียทุก็ไม่ได้วิ่งโุทธพดทธพุทดก็เดินธรรมดาหัดตัวตัวเทียมเกียนก็เคลนครั้งทีเกลียนกำลังติดหล่อมตีมันตั้งตอนเจ็บมันก็จะดันอยู่ยังไปตีมันทั้งที่มันดันอยู่หนักเต็มทีแลแล้วคนขับก็ยังไปตีมันอยู่ มันก็เก็บมันก็ทิ้งแอกดิ่มก็ปดแอกนี้ไปเพราะมันถูกลมที่ได้มันดันที่ได้ตีมันทุกทีมันคนรู้แล้ว่าถ้าตกหนักจะนี้คนขับตีเราแล้วก็ปดแตกก็เลยเป็นหัวไม่สู้ชีวิตเราก็เช่นกันทั้งคราวที่มันยากยากไปถือว่าจะแพ้นะมันมีความชนะอตรงนั้นก็ได้ความย่งควมยาก แต่ความทุกข์ความอุดดัดขัดเครื่องความอะไรต่างๆอาจจะวิเศษที่ต้องนั่งก็ได้แต่เราลรู้มันะเพราะตัวไหนมันตกหลบมันลงโคลนดันเกลียนอยู่แล้วก็พูดกับมันดีๆลบบลังมันไปไปไ ป, ไ, ปไห้นวลไหนแดงไปมันก็ได้ใจมันก็ไปของมันไปยางวัวอะไร การพิ ส, สานว<า>่าว่านั่นที่พายนั่นที่นั่นที่พิสานไปแข่งกันไปเจ้าของไปแข่งกันเพื่อเจ้เอาเงินพอวัวเทียมกันลงไปมึงขี้ขาดไอ้ชาติหมามึงต้องไปไอ้าไอไ้ธาตไอ้ด่ามันมันไม่ไปเลยเจ้าของก็แพ้แลวมันเสียใจร้องให้แล้วก็ เอาใหมาเ่เอเปียนใหม่พอเทียมข่าวหน้าข่าวหลังนี่นก็ mm. ไอ้เจ้าพ่อไอ้โรคพ่อไอ้โรคพ่อยังช่วยพ่อดันพาเปลียนห่าลอยไปได้เลยชีวิตเราก็มากันต้องเคลียร์ตัวเองนะยกนิ้วให้ตัวเองคนอื่นเขาแย่งไม่ต้องสนใจเราเคลียร์ตัวเราเราก็คนหนึ่งละคิดอย่านั้นอะไรก่อนเราจะเป็นอย่างนั้นพวกทีเจ้าจะอ๋อ องนั่นได้วันลุทำแล้วได้วันลุกันหันแล้วกัญญาสีอัญญาสีวัฏปภะกนทันโยอัญญาสีวุฏปภะกนทันโยอัญญาลู่แล้วอัญญาลู่แล้วเป็นพลังหันเกิดขึ้นในโลกเป็นพลโยสงเกิดขึ้นในโลกเป็นรูปหนึ่งอัญญาสีอัญญาสีวัฏปภะกนทันโยเอาเดววัปปะปฏทยามหานามะคงจะน้อยใจ เขามาพร้อมกันบวชพร้อมกันทําไมเขาลุก่อนเราเอาจจะเสียใจนะแต่ว่าไมนเป็นไรว่าป่าพัทยามหาณากเาเราก็คนเหมือนกันเราก็คนเหมือนกันนี่นี่มรรณะวันที่สองวันที่สามออไปก็ลุกกันทั้งหมดเลยนะ เ, เราจะพูดกับเราว่าลูกข้อนี้แม่นี่เล่าละคนหนึ่งก็าว้นี่ก็ได้ไม่เป็นไร แ ล, แล้วก็หนึ่งเขาคิดหนึ่งเราก็หนึ่งเหมือนกันเราทําไมเราทําไมได้สมรูลแค่นี้นะเวลาใดวันคิดเราก็รู้ของเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ก็เปลี่ยนได้นี่กันอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมจัดสรรจัดการกับตัวเองให้ถูกกาละเทศะการบรรลุธรรมอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดอืม บางทีสฉลิ่นิสัยของเราชอบเรียบเรียบ ง, ง่ายง่ายทำไปคนเรียนหนังสือบางคนข ย, ยันไม่ลับไน่นอนบางคนเขาก็ไม่ข ย, ยันธรรมดาธรรมด า, อาชอบเรียนเก่งได้ช่างสังเกตช่างแก้จุดตอนของตัวเองกหนดลู่ไรลลู่ไปบทเรียนข โ, ยขโมยเอาก็มีขโมยเอาไม่ต้องเึื่หน้าช่วยกะ อยู่ตรงไห น, นช่วยโอกาสไปเบนทบบาทช่วยโอกาสบางทีเราได้โอกาสจะกคนอื่นแล้วกนไปเบนทบบาทด้วยกันเราชวนแวะเจ็บผักเขาก็คุยอสอนลักษณะกินผักแบบไหนเขาาพูดนะแบบ อ, อะไรต่างๆเขาเจ็บผักแบบกาดยากขาสอนวิธีกินเขคุยล้มตัวไปเราก็ฟังเขาพูดเออ เันของเราหลงแล้วเพื่อนของเราหลงแล้วเราจะพยายามมันไม่หลงเหมือนเขาเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาหลงตัวแล้วนี่เราก็ช่วยโอกาสขนาดที่เพื่อนหลงเราไม่หลงเราจะไปพูดแบบนี้นก็ได้ดเรียนจากคนอื่นบ้างนี่นะอันนี้งว่าจะได้ไปถ้าไปจะไปนอน่นเพจมันที่สิบสองชาวบ้านจะมาทําให้เอาไปชงกัน ทำก็ไดครับอนแมเราจะพากันมาทำให้จะไปอยู่น well. ั่นเสจะไปพิจาณาบัรพร้อมกันเลาธุ